เมื่อพระมหาโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้ตั้งปณิธานโดยรวบรวมธรรมะแปดประการคืออภินิหารของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะท่าถ้าสมมติถ้าใครปรารถนาบอกมีความปรารถนาอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องรวบรวมธรรมะให้ได้แปดประการก่อนจึงจะปรารถนาสำเร็จถ้ายังไม่รวบรวมธรรมะได้แปดประการเนี่ยยังไม่แน่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือเปล่าเยนะ ถามว่าแปประการนี้คืออะไรหนึ่งต้องเป็นมนุษย์สองต้องเป็นเพศชายสามต้องมีเหตุเหตุหมายคืว่าชาตินั้นเนี่ยพอที่จะเป็นพระอรหันต์ได้จะเรียกชาติสุดท้ายก็ได้มีเหตุแห่งอรหันต์อยู่ในตัวแล้วก็สี่พบพระพุทธเจ้าห้าต้องเป็นนักบวชนต้องเป็นนักบวชชาตินั้นนะอาจจะเป็นฤาษีก็ได้หรือเป็นภิกษุก็ได้ ข้อ6ต้องมีคุณสมบัติคืออภิญญาห้าสมาบัติ8ข้อที่เจต้องมีอธิการด้วยหมายถึงว่าต้องสละชีวิตเป็นพุทธบูชาข้อที่8ดเนี่ยมีใจรักในการเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแรงกล้าเนี่ยนะไม่มีสิ่งเอ่ยมาเอ่อไม่มีสิ่งอื่นเนี่ยมาห้ามมาขัดขวางความตั้งใจที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะมีใจรักหรือมีศรัทธาในความเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแรงกล้า ฉันทาก็คือเนื่องจากมีศรัท ธ, ธานในการเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแรงพันเมื่อประชุมธรรมะแปประการอภินิหารหรือความปรารถนาจึงจกสําเร็จนั่นแหละทีนี้จําเดิมแต่บําเพ็ญอภินิหารอย่างนี้แล้วก็ขวนควายแล้วแล้วในเล่าในทานเป็นต้นนั่นแหละเป็นพิเศษถวายมหาทานเช่นกับทานของพระเวสสันดรทุกวันแม้สังสมอยู่ซึ่งบารมีทําอย่างนี้ทุกอย่าง มันทานนี่จะต้องให้มากจริงๆนะ น, นีอย่างตัวอย่างที่เป็นพระเวสสันดรก็คือเนื่องจากใกล้ๆหน่อยท่านก็ยกมาเป็นตัวอย่างไอ้ที่บาเพ็ญบารมีให้ทานอย่างอื่นที่ไม่ได้ยกมาแสดงอีกตั้งมากศีลมีศีลอันสมควรแก่ ม, มาหาทานนั้นเป็นต้นขึ้นชื่อว่าการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าย่อมไม่มีในระหว่างเลยเพราะยังไม่ถึงการกาหนดเวลาตามที่กล่าวแล้ว สมมติถ้าใครเกิดทุ่มเทอยากจะให้เร็วกว่านี้อีกทำได้ไหมทำไม่ได้หรอกถามว่าพรอะไรเพราะพระยานนี่ยังไม่สุกเต็มที่อธิบายว่าพระยานของพระพุทธเจ้าถึงความเจริญงอกงามไพยบูร์ตั้งท้องย่อมถึงความสุกงอมเนี่ยดดเข้ากล้าที่ให้สำเร็จแล้วในเวลาที่กำหนดฉันใดดังนั้ น, น, น, นการบรรลุของพระ อ, องค์ก็ต้องรอเวลาให้ใหได้สี่อสงไขยแสนกลับเนี่ยนะ ก็เหมือนกับข้าว4เดือนจริงจะสุกอย่างเงี้ย น, นะจะไปเร่งใส่ปุ๋ยเนี่ยตักดำหวานไปวันเดียวก็เร่งน้ําเร่งปุ๋ยใหญ่จะให้มันงอกพุ่งนี้ไม่ได้อยู่แล้วคือจะให้ออกรวงพุ่งนี้ก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะไม่ถึงการถึงเวลาถึงฤดูนี่ก็เหมือนกันทีนี้มาดูพระประเจกบ้างว่าดังนั้นการบรรลุปัจเจ ก, กับสัมโพธิและสาวกกับสัมโพธิในระหว่างนั้นแหละโดยยังไม่ถึงกําหนดเวลาตามที่กล่าวแล้วนั้นนนัน้ก็ย่อมไม่มีพระประเจ ก, กโพธิสัตว์ น, นะคือพระพระปฏิเจ ก, กพระโพธิสัตว์เนี่ยถ้าต่ำกว่าสองอสงไขยเศษแสนกับยังไงก็ไม่ได้บรรลุนี่ย น, นะทีนี้พระปฏิเจกกับพุทธเจ้านะถ้าปรารถนาเป็นพระปฏิเจกกับพุทธเจ้าก็ต้องอภินิหารเนี่ยประมวลธรรมห้อย่าง น, นะพระโพธิสัตว์ที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยประมวล8อย่างส่วนพระปฏิเจกนี่ประมวล5อย่างคือ1ความเป็นมนุษย์สองต้องเป็นผู้ชายสาม เห็นท่านผู้ปราศจากอาสวะคือเห็นผ้าหันรูปใดรูปหนึ่งก็ได้ข้อสีก็อธิการคือคือทาพุทธบูชาหรือการทำบุญนั่นเองข้อห้าก็เป็นผู้มีฉันทะมีศรัทธาที่จะเป็นพระปเจกพุทธเจ้าอย่างแรงกล้าเมื่อครบองค์ห้าประการนี้ก็ตั้งความปรารถนาเป็นพระปเจกับพุทธเจ้าสาเร็จส่วนพระโพธิสัตว์ผู้เป็นสาวกเนี่ยนะหรือสาวกโพธิสัตว์เนี่ย ผู้ตั้งปณิธานไว้ด้วยสามารถแห่งความปรารถนาอันประกอบแล้วด้วยองค์สองคืออธิการอาธิการก็คือการกระทาอันยิ่งนะนะทำบุญอย่างอย่างมากอะ่ะอย่างที่สองก็คือเป็นผู้มีฉันทะมีศรัทธาที่จะเป็นพระอัคารสาวกอ่ะนะมีองค์สองนี่ก็ตั้งความปรารถนาสำเร็จได้แต่ถ้าเวลายังไม่ถึงนะถ้าเป็นอัคารสาวกะนะถ้าไม่ถึงสองอสงไขยแสนกับก็บรรลุไม่ได้อยู่แล้ว หรือพระมหาสาวกอื่นๆถ้าไม่ถึงแสนมหากับก็บรุไม่ได้อธิบายว่าที่บรรลุไม่ได้เพราะยานยังไม่สุกเต็มที่ปัญญาบารมีที่ส่งเสริมเพิ่มเติมด้วยบารมีทั้งหลายมีทานะบารมีเป็นต้นของพระมหาโพธิสัตว์ทั้งหลายแม้เหล่านั้นย่อมตั้งท้องถึงความสุกงอมยังพุทธญาณให้บริบูรณ์โดยลำดับคิดดูนะว่าโพธิปัจยธรรมเนี่ยที่จะมาประชุมรวมกันให้ พรั่งพร้อมเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เนี่ยไม่ใช่ประชุมกันง่ายๆใช่ไหมอย่างเช่นทุกขสัตริย์ก็พอรู้นะสมุทยัยก็รู้ล่ะรู้แน่วัฒน์ดับฉันธราคะได้เป็นสุขอย่างยิ่งแต่ถ้าไม่ดับไม่ได้นั่นนะก็เพราะโพธิปัจจัยธรรมไม่บริบูรณ์นั่นเองนะสัตทินรียไม่บริบูรณ์วิริยินทรีย์ไม่บริบูรณ์สตินรียไม่บริบูรณ์สมาทินรีไม่บริบูรณ์ปัญญินรียไม่บริบูรณ์สมมุติว่าต้องพิจารณาขันห้าทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะ ของเราเอาสมาธิอะไรมาเป็นบาตที่จะพิจารณาได้ทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยนะสมาธินซีเราไม่ได้อะบางทีสมาธินซที่ไม่ได้เพราะวิริยนรีย์เราอ่อนอย่างงี้ยนะสติินซีย์เราก็ไม่ดีสัตินรียเราก็ไม่พออย่างเงี้นะไม่รู้จะมาพิจารณาอริยสัจยังไงได้ทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้เพราะว่าอินทรีย์มันก็พองก็แพ้งานเพราะฉะนั้นการทําบุญทั้งหลายแหละนั่นแหละคือการบ่มอินซีเนี่ยนะบ่มศรัทธาบ่มวิริยะบ่มสติบ่มสมาธิบ่มปัญญา ถาว่าบ่มศรัทธาเนี่ยสังเกตจากอะไรก็คือทานกับศีลนี่แหละเป็นตัวบ่มศรัทธาเนี่ยนะวิริยะอะนะก็คือการที่จะทํำยังไงที่กุศลเหล่า น, านั้นจะได้บริบูรณ์มากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้ น, นการอ่านการฟังเป็นต้นเนี่ยนะการฟังมากพหูสูตรนี่ก็เป็นอาหารของสตินซีใช่ไหมถ้าเป็นอาหารของสมาธินีก็คือการอบรมสมถะเป็นอย่างมากอบรมปัญญีนีก็ต้องข้อมูลในเรื่องอริยสัจต้องบริบูรณ์เต็มที่เนี่ยนะ ก็ทายังไงกุศลเหล่านี้จึงจะมาทำกิจเดียวกันเนี่ยนะเอกรสเนี่ยนะเรียกว่าเอกรสเอกรสะเอกรส เ, เนี่ยรสะตัวนั้นแปลว่ากิจทำยังไ ง, งว่าธรรมะเหล่านี้มามีกิจอันเดียวกันคือประหารกิเลสและมีนิพพานเป็นอารมณ์เมื่อ น, นั้นนะการตรัสรู้อริยสัจจึงจะมีขึ้นไม่ใช่ว่าเพียงแต่แยกแยะอะไรเป็นขันธ์อายตนะท่าและบรรลุแล้วไม่ใช่ อันนี้เป็นเบื้องต้นเท่านั้นเองเนี่ยนะเพียงแต่ให้รู้ว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลไปยังไงมายังไงดับอะไรอะไรจึงจะดับนี่ไงนะแล้ที่เหลือก็ค่อยไหวอีกทีว่าอันะวิธีการนี่ค่อยไหวอีกครั้งนะวิธีการเนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยทีนี้ของเราทั้งหลายโดยทั่วไปแล้วเราฟังฟังธรรมะของผู้มีบุญซะส่วนใหญ่เนี่ยนะเพราะนั้นเขาฟังแบบเขาบรรลุฟังปั๊บเขาบรรลุเลยเขาทํากิจได้เลยเนี่ยนะ เราก็เลยเออเราเราเนี่ยทําไมไม่บรรลุสักทีเนี่ยนะเราบางทีก็สํานวนที่เราว่าเราก็ไปเปรียบเทียบกับผู้ที่เขามีคุณธรรมเนี่ยซึ่งยังไงก็ไม่เหมือนกับท่านเหล่านั้นเนี่ยนะแต่ถ้าเราไม่เลิกไม่ท้อไม่แท้คืออบรมไปในที่สุดก็ต้องได้เหมือนกันอยู่แล้วเนี่ยนะอันรุ่นหลังๆมาอีกว่าอู้ทาไมพวกเรานี่บรรลุ ง, ง่ายจังที่ไหนได้นะลักษณะเดียวกัน น, นั่นแหละไม่นะ พร้อมคือคนละยุคอยู่แล้วพระปัจเจกพรพุทธเจ้าต้องมีในสมัยที่ไม่มีพุท ธ, ทธศาสนาแล้วทีนิสสาวงเนี่ยก็อาจจะเอาตำราของพระพุทธเจ้ามาเรียนอะไรอย่างนี้ก็บรรลุได้คือคือถ้ายังมีอยู่ก็ถือว่าของพระพุทธเจ้าคือพ้อมกันได้นะนะคือคืออยู่ในช่วงช่ว ง, งเดียวกันยังอยู่ในพุทธสมัยอย่างเช่นอย่างเราถือตามอัตถกถาก็คือถ้ายังอยู่ในช่วงสมัยห้าพันปีก็ยังมีบรรลุอยู่ เนี่ยนะผู้ที่บรรลุในช่วงห้าพันปีเนี่ยถือเป็นสาวกหมดเลยระหว่างนี้บรรลุไม่ได้เนี่ยนะต้องเลยห้าพันเลยหมดพระศาสนาเนี่ยนะไม่มีเหลือแล้วไม่มีคำสอนอริยศาสตร์แล้วเนี่ยนะหลังจากนั้นจึงจะมีพระปจเจกได้ <c oughs> แท้จริงโดยการสังสมทานไว้ท่าน ท่านเหล่านี้จึงเป็นผู้มีใจไม่คล่องอยู่ในกิเลสเป็นผู้ไม่เพ่งเลง็งและเพราะมีอัธยาศัยไม่ไม่ละโมบในภพนั้นนั้นคือถามว่าทานากุศลเนี่ยมันมันจำเป็นยังไงทานเนี่ยก็คือการบริจาคมหาพูดอย่างหยาบนั่นเองการให้ทานคือการบริจาคมหาพูดนะเช่นให้ข้าวก็คือให้มหาพูดให้ที่อยู่อาศัยก็คือให้มหาพูดให้ไฟก็คือ แสงสว่างก็คือให้มหาพูดเพราะฉะนั้นการให้ทานก็คือการให้มหาพูดทั้งหลายก็เริ่มบริจาคมหาพูดเพราะฉะนั้นผู้ที่สั่งสมทานการให้ทานเนี่ยจึงไม่มีใจติดข้องด้วยกิเลสมีใจไม่เพ่งแรงในมหาพูดมากเพราะสละมหาพูดเป็นเนี่ยนะเริ่มเสียสละรู้จักบริจาคมหาพูดออกไปเนี่ยนะท่านก็เลยบอกว่าผู้ที่ให้ทานเนี่ยจึงมีใจไม่ข้องอยู่ด้วยกิเลส คือกิเลสเนี่ยเป็นตัวให้ข้องในในพบต่างๆใช่ไหยในอารมณ์ต่างๆอันผู้ที่สะสมอัธยาศัยในการให้ทานเนี่ยจึงไม่ติดไม่ข้องอันนะถ้าอย่างอย่างแค่เราหลายท่านเนี่ยถ้ามีอัธยาศัยไม่นิไม่มักให้ทานนะออกจากบ้านมาไม่ได้หรอกติดบ้านหนับเลยนะใครจะดูแลเยใครจะดูโดนใครจะดูแลเนี่ยมันออกไม่ได้อะนะ อยู่อย่างงั้นแหละห่วงวห่วงหน้าพระวง์หลังวิตกกังวลอยู่นั่นแหละเพราะว่าเพราะไม่มีใจที่จะบริจาคไม่มีใจที่จะเสียสละไม่มีใจที่จะให้ะนะไม่มีจฆ่าเจตนาเพราะการสั่งสมทานทานนักบุญสนเนี่ยจึงจึงทำให้อายะดีสั่งสมอัธยาสัยดีที่จำให้เอาอะ เพราะเรื่องการบรรลุเนี่ยเป็นเรื่องของการละใช่ไหมไม่ใช่เรื่องการกลืนเนี่ยนะไม่ใช่เข้าไปกลืนทุกขสัตริย์ไม่ใช่แต่เป็นการคายทุกขสัตว์เพราะฉะนั้นการให้ทานเนี่ยจะเริ่มคายและเริ่มคายทุกขสัตริย์ออกไปนั่นนะเริ่มคายตั้งแต่คายข้างนอกก่อนนะนะทานก็เริ่มคลายข้างนอกศีลก็เริ่มคายละเอียดขึ้นไปอีกสมถะก็คายละเอียดไปอีกวิปัสสนาก็คายออกสิ้นเชิงน่นนะจริงการบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็คือการคายมหาภูตรูปผู้ที่ดับมหาภูตรูปได้อย่างแท้จริงคือพรระัน โดยการสั่งสมศีลไว้ดีจึงเป็นผู้มีกายและการงานกายวาจาการงานบริสุทธิ์ ด, ดีเพราะมีกายสำรวมวาจาสำรวมอาชีพสำรวมมีทวารอันคุ้มครองดีแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะย่อมตั้งจิตมั่นด้วยชาคริยานุโยกประกอบอการประกอบความเพียรของท่านเหล่านั้นนนคือ ข้อที่สองที่บอกว่าท่านเนี่ยสังสมศีลเอาไว้เนี่ยจึงเป็นผู้ที่มีกายดีวาจาดีและอาชีพดีเป็นพื้นฐานอันนี้คืออะไรของท่านประโยคะของท่านดีการให้ทานการบริจาคนะถือว่าเป็นอาศัยะของท่านนะจัดเป็นกลุ่มอาศัยะเพราะมีอาศัยะไม่ต้องการผูกพันพอรัศการสั่งสมศีลการรักษาศีลดีอันนั้นเป็นประโยคะของท่านนั่นนะทีนี้ อาศัยะกับพโยคะแล้วก็ต้องมีข้อปฏิบัติเพิ่มเติมพิเศษอีกเขาเรียกว่าการประพฤติปัจจาคติกวัฏเนี่ยนะขตะปัจจาคติกวัฏเนี่ยวัดในการบริหารกรรมฐานแปลง่ายๆว่าวัดในการบริหารกรรมฐานให้ต่อเนื่องเนี่ยนะคือแปลเป็นตรงๆ ต, ตามพยัญชนะก็คือวัดในการนํากรรมฐานไปนํากรรมฐานมานะไปไหนก็เอากรรมฐานไปด้วยขากลับก็เอากกรรมฐานกลับมาด้วยเนี่ยนะไม่มีการทิ้งกรรมฐานเลย ก็สมาบัติ8ดอภิญยาห้าอภิญยาหกและปุปรภาควิปัสนาอันเป็นอธิฐานธรรมย่อมอยู่ในเงื้อมมือของท่านผู้ปฏิบัติเช่นนี้โดยไม่ยากทีเดียวคือถ้าหนึ่งนะสังสมทานมาดีสองสังสมศีนมาดีแล้วก็ประพฤติคตะปัจจาคติกวัตรมาอย่างดีเนี่ยนะอันนี้การบรรลุมรรคผลไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากนะอย่างเช่นพระพาหยะใช่ไห ท่านสั่งสมมาอย่างดีเนี่ยท่านการบรรลุของท่านไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากอะไรก็ความอดทนอย่างยิ่งในการบําเพ็ญบุญมีทานเป็นต้นก็เพื่อโพธิญาณหรือสาวกโพธิญาณอันนี้ชื่อว่าวิริยะกุศลทั้งหลายเนี่ยนะต้องอาศัยความอดทนยิ่งๆนะจริงจะทําได้ถ้าไม่อดทนเนี่ยแม้แต่ทานก็ยังให้ไม่ได้นะคือเว้นไว้แต่ทานแบบแม็กจะสละอยู่แล้วก็เหมือนกับให้ทิ้งให้ขว้างอันนี้ทําไม่ยากนะ แต่ทานน ก, กุศลที่ตั้งใจทำที่เนี่ยนะไม่ใช่ทำง่ายๆเลยนะให้ทานแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนะี่ยถ้าให้ข้าวนะตอนที่เราให้ให้ข้าวมีผู้ให้อ่มีผู้รับมีข้าวอยู่ให้ไม่ยากแต่ถ้าจะบอกว่าฉันจะให้ทุกวันอันนี้ชักยุ่งแล้วปัญหาเริ่มตามมาแล้วนะต้องใช้ความอดทนอย่างเต็มที่เข้ามาแล้วถ้าบอกรักษาศีลนะวันนี้ไม่ได้ไปไหนไม่ได้มีธุระอะไรเออวันนี้จะขอรักษาศีลสักวันหนึ่งเถอะอย่างงี้ไม่สู้ยาก แต่ถ้าบอกมาจะรักษาศีลนะให้มันตลอดฤดูเนี่ยตลอดปีนี่ตลอดชาตินี่ยอันนี้จะเริ่มมีเริ่มยากแล้วจะละเอียดขึ้นหรือการอบรมจิตไม่ให้มันเป็นบาปนะชั่วสักสามนาทีเนี่ยนะเอาเรื่องนี้มาคิดหน่อยนะอย่าให้บาปมันแทรกนะชั่วไม่กี่นาทีเนี่ยนะทำไม่สู้ยากแต่บอกว่ามันจะรักประคองจิตรักษาจิตเนี่ยให้สักสามปีเนี่ยนะหรือวันนี้ให้ทั้งวันเลยอย่างเงี้ยโอ้อันนี้ชักยากแล้วท่านอันนั้นต้องอาศัย วิริยะคืออาศัยวิริยะอาศัยขันติเนี่ยเข้ามาอย่างเต็มที่แล้วก็ความอดทนต่อความกโกรธนั้นใดอันนี้ชื่อว่าขันตินะคนที่ทําสิ่งเหล่านี้โดยโดยมากไม่ตรลอดสายก็เนื่องจากโทสะมันเข้ามาแทรกพอแล้ ว, ไ, วไม่เอาแล้วพอแล้ะเนี่ยนะอันนี้ก็คือโทสะนั่นเองอนะเพราะฉนั้นต้องมีไอขันติอันนั้นให้มากเพียรมากขันติมาก การให้ทานการสมาทานศีลและการกล่าวไม่ให้คลาดเคลื่อนความจริงอันนี้ใดอันนั้นก็เป็นสัจจะบา ร, รมีเนี่ยนะก็มีสัจจะในการตั้งไว้ที่จะให้ตั้งไว้ที่จะรักษาศีลตั้งไว้ที่จะอบรมเนี่ยนะมีบางท่านถามว่าเอ๊การรักษาวจีสัจจะเนี่ยมันมีผลยังไงต่อการบรรลุอริยสัจมันมีผลยังไงต่อการบรรลุเนี่ยนะจริงๆนะถ้าพูด คำสัตว์ไม่ได้ตั้งแต่ตอนนี้แล้วจะบรรลุความจริงในชั้นสูงอันนั้นจะได้ยังไงใช่ไหมแม้คําพูดก็ยังไม่มีสัจจะเลยแบบนั้นเถอะไม่ยากแม้แต่พูดยังไม่จริงเลยจะไปบรรลุของจริงได้ยังไงจริงสูงสุดที่จะออกจากทุกเนี่ยได้ยังไงเพราะฉะนั้นว่าจีสัจจะนี่สําคัญมากเนี่ย น, นะส่วนการอธิษฐานก็คือใจที่ไม่หวั่นไหวอันแน่วแน่อันให้สําเร็จประโยชน์ทั่วไปนั่นแหละชื่อว่าอธิษฐานก็คือตั้งใจมั่นนะนี ตั้งใจมั่นทําอะไรก็ตั้งใจทําอันนั้นก็มั่นอยู่ในสิ่งนั้นเลยนะ <EPA> การมุ่งประโยชน์ในหมูสัตว์อันเป็นพื้นฐานของความเป็นไปแห่งทานศีลเป็นต้นอันนั้นชื่อเมตตา <P ren Scott> ขณะที่ให้ทานนี่ชื่อว่ามีเมตตาต่อผู้รับใช่ไหมเพราะเราให้ประโยชน์เขาอ่ะเราก็ชื่อว่ามีเมตตาละการที่ <P fears> เราไม่ฆ่าสัตว์นั้นนั้นก็ชื่อว่าเรามีเมตตาต่อเขาเพราะเราให้ประโยชน์แก่เขาเนี่ยนะเราไม่ฆ่ารักไม่ฆ่าเขาไม่ลักทรัพย์ของเขาไม่ไปพืชผิดก็ชื่อว่าเราให้ ให้ประโยชน์ น, นั้นๆไปอันนั้นก็เป็นเมตตาของเราละการวางเฉยในกาในประการที่ไม่เหมาะสมที่สัตว์ทั้งหลายการะทาแล้วอันนี้ชื่อว่าอุเบกขาเนี่ยนะคือวางเฉยทั้งในสิ่งที่คนอื่นเขาทําไม่เหมาะสมกับเราแล้วเราก็วางใจได้อะอันนั้นแหละเป็นอุเบกขาคือ ไ, ไม่เก็บเอามาคิดให้มันเปลืองความคิดอะไรเนี่ยนะอันนั้นแหละเป็นอุเบกขาเนี่ยนะก็คือวางเฉยได้ ดังนั้นเมื่อทานศีลภาวนาและศีลสมาธิปัญญามีอยู่อ่านะถ้าว่าย่อไปเลยนะทานาบารมีสิบคืออะไรก็คือทานศีลภาวนานั่นแหละหรือศีลสมาธิปัญญามีอยู่บารมีทั้งหลายมีวิริยะบารมีเป็นต้นชื่อว่าย่อมสําเร็จแล้วทีเดียวเมื่อใดที่ยังให้ทานยังรักษาศีลยังเจริญภาวนาอยู่หรือเมื่อใดที่ยังรักษาศีลอบรมสมาธิเจริญปัญญาอยู่นะบารมีอีก เจข้อที่เหลือเท่ากับเจริญแล้วเนี่ยไงเช่นว่าถ้ายังให้ทานอ่ะนะถามว่าวิร ья บารมีมีไหมมีอยู่เลยฮะท่านขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกามีละถ้ายังให้ทานอยู่นะถ้ายังรักษาศีลอยู่อ่ะนะขันติอ่ะนะขันติสัจจ ะ, ะวิร ья อธิษฐานเมตตาอุเบกามีแล้วถ้าไม่อย่างนั้นอสมัติเรา รักษาศีลอยู่ในข้อหนึ่งเนี่ยยุงมากัดเราไม่ตบเนี่ยนะมันก็เชื่อว่าบารมีอื่นๆนะถ้าเราไม่ตบอ่ะเราเชื่อว่าเรามีเมตตาเราทนได้ะเราไม่ยอมฆ่าเขาอะ่ะอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็บารมีที่เหลือก็เหลือเลยละเพราะฉะนั้นถ้ายังมั่นอยู่ในทานศีลภาวนานะบารมีอื่นๆก็เชื่อว่ามีแล้วปราณนั้นปฏิปทามีทานเป็นต้นเพื่อประโยชน์แกปเจกโพธยานก็ดี เพื่อประโยชน์แก่สาวกพระโพธิยานก็ดีอันนั้นแหละเชื่อว่าภาวนาเพราะอบรมคือบ่มสันดานของพระโพธิสัตว์เหล่านั้นขณะให้ทานเนี่ยก็คือการบริจาคอย่างหนึ่งใช่ไหมอานะการให้ทานคือการสละมหาพูดทั่วๆไปขณะที่บำเพญ็ญศีลและบารมีคือการอะไรคือการออกจากภพที่เป็นอบายเนี่ยนะขณะที่บำเพ็ญศีลเป็นต้นใช่คือการออกจากภพที่เป็นอบาย การอบรมสมถะก็คือการออกจากกรรมมาพบนะแล้วก็ถ้าอบรมปัญญาเพื่อที่จะตั้งมตั้งเป้าหมายเพื่อจะออกจากพบเหล่านี้อันนั้นก็เป็นการอบรมปัญญางั้นการอบรมกุศลธรรมเหล่านี้แหละชื่อว่าการบ่มอัธยาศัยแล้วบ่มอัธยาศัยที่จะออกจากวัตฏะแล้วบ่มอัธยาศัยที่จะให้แทงตลอดอริยสัจแล้วน αι, น αι. บางของเราก็พยายามคิดยังไงที่จะเป็นไปเพื่อการแทงตลอดอริยสัจนั่นนะ ก, ก็ต้องบ่ม อ, อัธยาศัยเหล่านั้นแต่ทีนี้ของเราเนื่องจากศึกษาธรรมะกลุ่มนิเพธพาคยะสะส่วนใหญ่คือเรียกว่าศึกษาธรรมะกลุ่มจะบรรลุนะวันนี้พรุ่งนี้หรือฟังแล้วบรรลุทันทีเลยนะเราฟังแต่ธรรมะประเภทนั้นส่วนมากก็เรียกว่ากลุ่มนิเพธพาคยะธรรมะกลุ่มชำแรกกิเลส ทีรียว่าเจริญอ น, นิจจสัญญาเจริญอ น, นิจเจทุกขสัญญาเจริญทุกเหียตตสัญญาเจริญสพภพวะโลกียนะพิรตะสัญญาอาหาเรปฏิกลสัญญามรณานุสติพวกนี้เป็นธรรมะประเภทนิเพทภารกิทั้งนั้นเนี่นะของเราฟังแต่กลุ่มนั้นโดยมากแต่ที่จริงแล้วการที่ให้ทานเป็นต้นเนี่ยเริ่มเสียสละเริ่มบริจาคอันนี้ก็ชื่อว่าถ้ามีมีตั้งความตั้งใจถูกต้องก่อนนะคือเข้าใจ เรื่องอริยสัจดีระดับหนึ่งให้ทานเป็นต้นไปนี่ก็ถือว่ามีเป้าหมายที่ที่ชัดเจนแล้วล่ะนะปฏิปทาอันเนื่องด้วยสมถะและวิปัสสนาที่เป็นไปแล้วในสันดานอันทานและศีลปรุงแต่งดีแล้วโดยพิเศษเป็นเหตุให้พระโพธิสัตว์เหล่านั้นสมบูรณ์ด้วยธรรมะเป็นที่ประชุมแห่งการบำเพ็ญเพียรเป็นต้นเนี่ยนะคือสมถะวิปัสสนาเนี่ยนะผู้ที่ไม่ได้ ให้ทานหรือรักษาศีลมาเป็นอย่างดีเนี่ยอบรมไม่ได้หรอกอันนะถ้าคนไม่ได้เคยให้ทานมาเลยเนี่ยถามว่าเขาขาดแคลนอะไรขาดแคลนปัจใจสี่ถ้าขาดแคลนปัจใจสี่นี่จะไปเจริญสมมถาวิปัสสนายังไงอ่ะสมถะอาชีพสมมติหาเช้ากินขําเนี่ยนะถ้าสมมุติว่าไม่ได้ทํางานวันเดียวเนี่ยหมายถึงอดเลยเอ่ะพรุ่งนี้อดเลยอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นขนาดนี้จะมาอบรมอะไรได้อ่ะแค่จะฟังทำวันเดียวนี้ก็ไม่ได้แล้วเนี่ยนะ แต่จะว่าปฏิบัติเลยว่าฟังทำยังไม่ได้ปรมางั้นเถอะ อ, อที่บอกว่าการบําเพ็ญศีลหรือทานเนี่ยนะขณะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าบารมีอื่นๆก็ได้ก็ได้บําเพ็ญไปด้วยเนี่ยเพราะผมก็เห็นด้วยเห็นชัดด้วยนะฮะตัวนี้อหมายความว่าบุคคล น, นั้นเนี่ยได้ต้องต้องเป็นการให้ทานหรือรักษาศีลที่ต่างจากคนอื่น ค, คืออย่างไงมันมเป็นจุดมุ่งหมายของเพราะคนอื่นก็ให้ทานแต่ว่า ไม่เกี่ยวกับพวกนั้นเลยบารมีเลยอันนี้เป็นการให้ทานแบบเรียกว่าเป็นไปเพื่อวิวัตะนะกุศลที่เรากำลังพูดนี่เป็นกุศลวิวัตะทั้งหมดนั่นแหละแสดงว่าผู้ที่ให้ทานและรักษาศีลนั้นต้องมีต้องมีวัตถุเป้าหมายคือคือออกจากวัฏนาถูกไหมครับแต่ถ้าพาว่าเป็นคนอื่นดยทั่วไปใช่ไหมฮะก็ไม่เรียกว่าบารมีเกี่ยวบารมีไม่มีชื่อว่าเป็นบารมีไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นสัมภาระเพื่ออริยมรรณะ เพราะฉะนั้นการให้ทานนักกุศลทั่วๆไปเนี่ยเป็นกุศลที่เป็นอุปนิสัยเพื่อให้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิถ้าเป็นการให้ทานรักษาศีลทั่วๆไปเลยเนยีก็คือบุญเหล่านั้นที่บ่มไปเรื่อยๆก็จะเป็นพระราชาสะสมเพื่อสูงสุดของของทานศีลทั่วๆไปเนี่ยคือเป็นพระราชาคือแต่ก่อนที่ยังไม่ได้ศึกษา <S <S ธรรมะก็เคยให้ทานรักษาศีลนะแต่ว่าก็คงจะไม่ไม่ได้เกี่ยวกับบรารมีอื่นๆ แต่ระยะหลังนี่เราเราเข้าใจคือที่ที่จำเป็นต้องเกี่ยวกับบา ร, รมีอื่นๆเนี่ยนะเราก็ลองมานึกดูว่าเราจะให้ทานสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะหนึ่งใช้ความเพียรขนาดไหนสมมติว่าแค่ผู้การมาให้ทานที่นี่นะถามว่าวิระยะขนาดไหนสองขันติขนาดไหนเพราะไม่ใช่ว่าติดต่อก็เออสั่งซ้ายแล้วไปซ้ายหมดนะสั่งขวาไปขวาได้อย่างเราบอกหมดนะ่ะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยซึ่งเรียกว่าต้อง ขันติเป็นอย่างมากอ่ะนะถามว่าาไม่ได้ตั้งใจไว้จริงๆอ่ะไม่มีสัตว จ, จาะไว้ตั้งกแรกไม่เอาไหมโอยบอกเลิกไปแล้วจ า, นา ะ, ะนั้นก็อาศัยอย่างอื่นเนี่ยเข้ามาอีกตั้งมากเนยนะจึ ง, จ, งจึงสามารถให้ทานครั้งนี้ได้ก็เห็นด้วยฮ ะ, ะเห็นด้วยอย่างมากมากเลยคือเข้าใจมานานแล้วว่าการบําเพ็ญกุศลทุกชนิดเนี่ยยากยากยากทุกอย่างเลย ยากจริงๆแต่นี้สําหรับแต่บางครั้งเราก็ทําง่ายเพราะว่าเราทําจนชินหรือว่าทําจนชํานาญนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสาหรับคนทั่วไปแล้วไม่ง่ายเลยกุศลแต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่ใช่<ม>กุศลธรรมะอมีอะไรมากมายจริงถ้าไม่ตั้งใจจริงๆทําไม่สําเร็จครับได้คนที่เขาทํากุศลจนสําเร็จหรือทําสําเร็จจริงๆอะ่ะคือเขามองเห็นอุปสรรคเท่ากับเส้นญ้ากเขาจึงทําได้ แต่คนทั่วๆไปเนี่ยที่ทํากุศลไม่ได้ก็เพราะมองเห็นอุปสรรคในมันเท่าภูเขาเนี่ยนะเห็นความสําเร็จนิดเดียวนะแต่คนที่ทั่วๆไปที่เขาบําเพ็ญกุศลได้เนี่ยเช่นการเสียสละทรัพย์ออกไปเพื่อจะบริจาคทานเนี่ยนะไม่ได้ลึกอะไรอาวนอะไรเลยอย่างเงี้ยแต่เขโอ้โหคนมาได้วิจารณาให้ดีหรือไม่ให้ดีหรือใ ห, ห, อให้ให้ยังไงอ น, นะ เหมือนกับบางคนจะใส่บาตรนี่ถ้าเราใส่พระท่านจะฉันให้หรือเปล่าเนาะถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ฉันให้มันก็เสียของเราอสิเงี้ยคิดไปคิดมาก็อย่าไปใส่ไปเลยนะนี่ยก็หาเหตุจนไม่ต้องใส่นั่นแหละบางอั้นค่ะกุศลบางชนิดก็ยากจริงๆครับกว่าจะเห็นผลหรือว่ากว่าจะสําเร็จทุกคนเถอะกว่าจะสําเร็จใช้เวลานานเหมือนกันนะครับถ้าไม่อดทนจริงๆไม่มีทางสําเร็จอโดยเฉพาะการศึกษาพระธรรมเนี่ย เป็นกุศลที่ต้องใช้ขันติเป็นต้นเนี่ยอย่างมากนะกุศลประเภทตั้งแต่สมถะเนคขมะบารมีเนี่ยเริ่มยากแล้วศีลเนี่ยถ้าไม่ไม่รักษาแบบต่อเนื่องนะก็ไม่สู้ยากทานก็ก็ง่ายหน่อยนะถ้าถ้าไม่ให้เป็นแบบไม่ใช่ให้ทานแบบปรารบกึ่งศีลนะ่ะคือทานทานเหมือนกันแต่ถ้าปรารบแบบศีลคือทานที่ตั้งไว้เป็นวัดนะ่ะ ตั้งไว้เป็นประจําเป็นนิจจทานอันนั้นไม่ใช่ทานนะจะเป็นศีลไปแล้วอันนั้นจะทํายากขึ้นแต่ถ้ายากขึ้นวันนั้นก็คือเนคขมะการออกจากกามทั้งหลายเนี่ยอันนี้ก็ยากขึ้นไปอีกเนคขมะก็หมายถึงสมถะนั่นเองนะออกจากกามมวิตกด้วยเนคขมะวิตกง่ายขนาดไหนอันนั้นก็ออกยากแล้วออกจากอาวิชชาด้วยปัญญาเนี่ยนะอันนี้ยิ่งออกยากเพราะปกติเราอยู่ด้วยอวิชชาใช่ไหมอยู่ด้วยความโง่งมงายเนี่ย ทีนี้ถ้ามาอบรมเนี่ยต้องมาตรึกมากมาพิจารณามากมาใครครวนมากเนี่ยเอ๊ะชักไม่ค่อยสนุกใช่ไหมถ้าว่าแบบธรรมดาทั่วๆไปนะถ้าเราไม่ได้อบรมมารยาทเนี่ยเห็นใครก็เออก็ธรรมดาเป็นถ้ามีเมตตาหน่อยก็บอกเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนคุยกันสนุกสนุกไปอันนี้ก็พอแล้วใช่ไหมแต่ถ้าธรรมะในระดับปัญญาแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเอ่อถ้าแค่สมถะ ก, ก่อนนะไอเรานี่ราคะจริตหรือโทสะเจริญถ้าโทสะจริตเนี่ยคิดยังไงจึงจะไม่โกรธกับเขา พระราคาจริตเนี่ยผมคนเล็บฟันหนังเอาแล้วคะแนนนะมายกใหญ่ในเรื่องมากขึ้นไปอีกแต่ถ้าจะอบรมปัญญายิ่งไปกว่า น, นั้นพิจารณาผมมีกี่รูปนะอะไรในนั้นนั่นนะมีกี่รูปไปยังไงมายังไงมองเห็นวิบากกรรมมาเชื้อโรสาวไปหากรรมเห็นกายวินยัตวจีวินยัตเนี่ยนะซึ่งมีเจตนาเป็นสมุทฐานก็สาวไปหาวิบากข้างหน้าต่อไปเนี่ย น, นะเราจะพิจารณาถึงความไม่เที่ยงความเป็นเหตุเป็นผลพิจารณาอัศธาธาทีนวะเป็นต้นเนี่ยไม่ใช่ของง่ายเลยนะ เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้คำว่าขันติใช้วิริยะใช้เมตตาใช้กุศลอย่างอื่นๆสัจจะบารมีอื่นๆเนี่ยมาช่วยเกื้อกูลเป็นอย่างมากแต่ผู้ที่อบรมกุศลเอาไว้ดีเนี่ยนะคือคือในขณะที่บำเพ็ญรู้ยะว่าสิ่งเนี้ยเป็นของยากแต่ถ้าทำไว้เนี่ยจะได้ผลคือก็จะมีอ น, นิสงส์ะนะก็จะได้กำไรยอย่างดี ซึ่งพระ อ, องค์ตรัสกับพระนนว่าดูก่อนอ น, นุ์อันนี้สงห้าประการเหล่านี้ย่อมมีในการบําเพ็ญเพียรเบื้องต้นก็คือบุพภาประโยคนะนะบุพภาก็คือทําไว้ก่อนนะประโยคะก็คือการประกอบนั่นเองอันนี้สองของการประกอบไว้ก่อนดีอะ่ะปุพภาประโยคะเขานิยมแปลว่าความเพียรเนี่ยนะก็คือแปลภาษาง่ายๆบอกว่าคนที่ทําบุญไว้ก่อนเนี่ยไม่ยากเ น, นะจะได้อันนี้สงห้าประการ 5้าประการคืออะไรคือผู้บำเพ็ญบุพพะประโยคในธรรมวินัยนี้ย่อมชื่นชมอรหัตผลในปัจจุบันนี่แหละทีเดียว น, นะบุพพะประโยคดีก็คือศีลสมถาวิปัสนาเป็นอย่างดีเนี่ยอรหัตผลในชาตินี้ชื่นชมได้ถ้าทำดีอะนะถ้าทำดีจริงอะทีนี้ถ้าในที่จะทำไม่ได้ละ่ะคือในในปัจจุบันนี้ไม่เห็นเล ถ้ายังไม่ได้ชื่นชมอรหัตผลในทิฏฐธรรมโดยพลันต่อมาในมรณะสมัยจะได้ชื่นชมอรหัตผลนะถ้าอบรมคำฐานไว้เป็นอย่างดีเนี่ยนะอรหัตผลก็หวังได้ในเวลาใกล้ตายถ้าไม่ได้ตอนนั้นนะ่ะต่อเป็นเท พ, พบุตรจะได้ชื่นชมอรหัตผลจะต้องบรรลุในช่วงใดช่วงหนึ่งตอนที่เป็นเทวดาถามว่าผู้ศาสนาของเราเนี่ยมนุษย์กับเทวดาใครบรรลุมากกว่ากัน แล้วก็เทวดาบรรลุมากกว่าเพราะฉะนั้นเขามีบุญไว้สั่งสมไว้ก่อนแล้วพอไปเกิดในสมัยเป็นเทวดาก็บรรลุง่ายไม่ต้องมาเหน็ดเหนื่อยแบบคนอื่นด้วยนะฟังแล้วก็บรุลเลยอย่างเง้ย น, นะสบายมากเขาเบามากนีทีนี้ถ้าไม่ได้บรรลุอะ่ะต่อไปก็จะได้เป็นผู้ตรัสรู้โดยฉับพลันในที่เฉพาะพระพักของพระพุทธเจ้าทั้งหลายถ้าเกิดในพุทธสมัยเป็นมนุษย์เนี่ยพระเจ้าแสดงก็บรรลุเลยหรืออั น, นิสงส์อย่างในที่ห้าบอกว่าถ้าไม่บรรลุตอนนั้นน่ะ ภายหลังจะได้เป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าะภายหลังจะเป็นพระประเจกพระพุทธเจ้ า, เาด้วยประการดังพันานามานี้พระพุทธเจ้าพระประเจกพระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีอัตภาพอันอ บ, บรมแล้วนะก็มาจากอะไรภาวิตาตานังอ่ะนะคือคนเหล่านั้นเขาอบรมตนแล้วเขาอบรมตนแล้วด้วยการอบรมธรรมะเป็นเครื่องถึงซึ่งฝังฝังเป็นชื่อของ พระนิพานเขาอบรมตัวเองเนี่ยอบรมจิตให้น้อมไปหาฝังคือนิพานที่เป็นอสังขตะธรรมเนี่ยนะอันเป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นด้วยสมถะแล ะ, ะสมถะภาวนาและวิปัสนาภาวนาและด้วยมักคภาวนากล่าวคือการตรัสรู้อันเป็นนิโรธคามินีปฏิปทาย่อมได้ชื่อว่ามีตนอันอบรมแล้วะนะมีตนอันอบรมขณะไหนบอกขณะอริยมรรค จึงจะชื่อว่าอบรมตนอย่างแท้จริงนะอบรมจิตนะนะเขาเรียกว่าขณะนั้นเนี่ยทำจิตให้ตรงจริงๆตรงต่ออะไรตรงต่อพระนิพพานเนี่ยนะขณะนั้นเนี่ยตรงจริงๆนะแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะนะก่อนหน้านั้นนะในคุณวิเศษในวิเศษบุคคลเหล่านั้นสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านประสงค์เอาที่นี้เนี่ยนะ ท, ที่จะกล่าวต่อไปเนี่ยหมายถึง ผู้มีตนอันอบรมแล้วเน้นพระอาหารหันต์ทั้งหลายในเทรคาถานะในเถรคาถาจริงๆก็รวมถึงพระอรหันต์อื่นๆที่ไม่ได้มาในเทรคถาด้วยว่าจะต้องผ่านข้อปฏิบัติแนวเดียวกันมาหมดแต่ว่าจะมากจะน้อยจะเข้มมากเข้มน้อยก็อีกอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าอย่างปัญญีสีเนี่ยนะการอบรมปัญญีสีของพระอรหันต์ทั้งหลายไม่ไม่เท่ากันพระอรหันต์บางองค์เนี่ยก็พิจารณามหาพูดโดยเอกเทศนั่นแหะ พระสารบางองค์ก็พิจารณาอายตนะ6เนี่ยนะอายตนะภายในย6ที่เรียกว่าภาษาอายตนะบางองค์ก็พิจารณาขันหเนี่ยนะโดยกว้างขวางมากมันกไ็ไม่ได้เท่ากันอะไร